เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดคลสินเมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมาในสมัยที่คุณสนยังเป็นวัยรุ่นคุณสนชอบไปสองสัตว์นั่งห้างเวลากลางคืนกับลุงสวนเพราะช่วงนั้นทางการยังให้สัมปทานสัตว์ป่าอยู่จึงไม่ผิดกฎหมายเดือนหนึ่งก็จะเข้าป่ากันประมาณ2 3ถึงครั้งครั้งหนึ่งประมาณ 3-4 วันแล้วช่วงหนึ่งตอนเช้าลุงสวนก็มาชวนคุณศน ตั้งแต่เช้าและบอกว่าพอดีลูกกล้วยป่ามันสุกจะชวนไปดักยิงยีเห็นกันและไปทำห้างนั่งยิงกันด้วยและเพื่อนคุณลุงสนที่อยู่ด้วยกันสองคนได้ยินเข้าจึงขอเข้าไปด้วยปกติลุงสนจะไม่ให้ใครไปด้วยเพราะกลัวว่าจะไปทําปิดผีกันคุณสนเลยขอร้องว่าขอให้เพื่อนไปด้วยลุงสนก็เลยอนุญาต เราเรียกเพื่อนของคุณสนไปอบรมว่าห้ามเอ่ยชื่อกันห้ามทำอะไรก่อนที่ลุงสวนจะบอกเพื่อนของคุณสนก็รับปากพอเตรียมข้าวของเสร็จแล้วก็เดินเข้าป่ากันไปประมาณ7กิโลเมตรถึงตีนเขาลุงสวนจึงทำวิธีเปิดปา่าเพราะลุงสวนเป็นคนมีวิชาอาคมอยู่พอสมควรจุดถูปบอกเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ต้อนพวกสัตว์ที่หมดอายุไขแล้วมาให้พวกเราหน่อยพอเสร็จพิธีก็เดินขึ้นเขากัน ขึ้นไปได้ไม่ถึง1กิโลเมตรลุงสวนเจอข้างตัวหนึ่งก็เลยยิงข้างได้ตัวใหญ่พอสมควรจากนั้นก็ตัดกิ่งไม้หามกันขึ้นไปกะว่าจะไปทํากินกันตอนเย็นก็เดินต่อกันไปอีกประมาณ4กิโลเมตรเวลาประมาณบ่าย3ามโมงก็เลยนั่งแร่ข้างเอาเนื้อออกเอากระดูกกับหนังกองไว้ลุงสวน ใช้ให้เพื่อนของคุณสนสองคนไปตักน้ำแล้วทางเดินที่จะไปตักน้ำมันจะต้องผ่านโป่งดินใหญ่ตรงจุดนั้นช้างจะลงมากินดินโป่งทุกคืนลุงสวนก็กําชับว่าให้เดินผ่านไปเฉยๆอย่าไปทำอะไรแล้วก็ฝากเอากระดูกกัหนังข้างไปทิ้งด้วยเพื่อนสองคนก็รับปากประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพื่อนของคุณสนสองคนก็เดินกลับมาแล้วก็มาทาอาหารกินกันปกติประมาณ5้าโมงเย็นใกล้จะมืด ก็เตรียมฟืนกับไฟฉายให้พร้อมนั่งรอเวลาให้ท้องฟ้ามืดจะได้ไปนั่งดักยิงสัตว์สักพักได้ยินเสียงช้างวิ่งแตกฝูงกันและร้องลั่นป่าลุงสวนลุกขึ้นทันทีและพูดว่าช้างมันตื่นอะไรวะคุณศนก็ลุกขึ้นตามแล้วบอกว่าไม่รู้เหมือนกันลุงแล้วคุณศนก็สังเกตเห็นเพื่อนของตนเองนั่งหัวเราะอยู่กันสองคนลุงสวนก็เลยถามว่าเฮ้ยเมื่อกี้ตอนที่เองไปตักน้ําเองทําอะไรหรือเปล่าวะ เพื่อนก็ตอบว่าไม่ได้ทําจนลุงสวนเข็นหนักขึ้นและพูดว่าเอ็งบอกมาเร็วๆถ้าเอ็งไม่บอกข้านะเอ็งออกไม่ได้แนะ่เอ็งตายคาป่านะรีบบอกมาสักพักเพื่อนของคุณศนเลยยอมบอกเขาบอกว่าหนังข้างที่ลุงสวนให้เอาไปทิ้งเขาได้เอาเถาวัลย์ไปมัดแขนสองข้างและขาสองข้างขึงมันไว้ตรงโป่งที่ช้างลงไปกินทําให้ช้างมันตกใจลุงสวนคิดว่าแย่แน่เลยสั่งให้ยิงปืนออกไปให้หมด ทกระบอกจนหมดแล้วลุงสวนก็ล้วงมือเข้าไปหยิบของในหญ้าออกมาเป็นกระสุนตะกัวสีดำๆแล้วแจกให้คนละสี่ลูกแล้วรีบบรรจุลงไปในปืนทันทีพอบรรจุกระสุนเสร็จก็สั่งให้รีบวิ่งไปหาที่โล่่ทุกคนถือของแล้วรีบวิ่งออกไปทันทีจนไปเจอที่ชาวบ้านเขาถางป่าไว้เตรียมจะทําไล่ลุงสวนก็พาคุณสนและเพื่อนๆไปนั่งตรงกลางแล้วก็จุดธูปทําพิธี แล้วใช้่ันท้ายปืนขีดล้อมเป็นวงกลมใหญ่ๆแล้วเข้าไปนั่งข้างในกัน4ี่คนแกสั่งขึ้นมาอีกว่าถือปืนไว้นะถ้าไม่ได้สั่งอะไรห้ามทําห้ามวิ่งออกจากเส้นวงกลมจะกำชับอยู่แบบนี้ตลอดเวลาประมาณสองทุ่มคุณสนและลุงสวนก็นั่งกันอยู่แบบนี้เรื่อยๆป่าใหญ่ทั้งป่าไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีเสียงนกร้องหรือแม้แต่เสียงแมลงเงียบจนบางครั้งเหมือนกับอาการหูอื้อซึ่งเป็นเสียงที่ผิดปกติของป่ามาก คุณสนนั่งเงื่อไหลคิดในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วลุงสวนก็สั่งขึ้นมาว่าจำไว้นะถ้าเห็นอะไรให้ฉายไฟสองทันทีเอาให้มันสว่างเลยสักพักหนึ่งเวลาประมาณสี่ทุ่มคุณสนสังเกตเห็นเหมือนเงาคนยืนอยู่ข้างต้นไม้แถวๆตีนป่าคุณสนก็เลยฉายไฟไปทางนั้นแสงไปกระทบกับดวงตาของเงาที่ยืนเห็นเป็นสีแดงๆอยู่สองข้าง คุสดเลยยกปืนขึ้นประทับบ่าแล้วเสียงลุงสวนบอกว่ายิงเลยยิงเลยคุณสดเลยเหวี่ยงไกปืนทันทีได้ยินเสียงล้มตึงแล้วดิ้นอยู่กับพื้นแล้วก็เงียบไปสักพักหนึ่งมีเงาตาแดงๆปโผล่มาอีกทุกคนเลยช่วยกันยิงแต่สิ่งนั้นมันก็ยังมากันเรื่อยๆกระโดดขึ้นกระโดดลงจากต้นไม้อยู่ตรงตีนป่าจนเวลาเกือบประมาณตีสองเงานั้นก็เริ่มซาลงไปเรื่อยๆจนถึงสว่าง พอได้ยินเสียงไก่ขันทุกคนก็โล่งใจลุงสวนบอกให้เก็บของกลับแต่คุณศนอยากรู้ว่ามันคืออะไรเพราะเวลายิงไปแล้วได้ยินเสียงมันล้มลงแล้วดิ้นอยู่กับพื้นก็เลยเดินเข้าไปดูปรากฏว่ามีแต่ศพลิงนอนตายเกลื่อนกลาดเป็นสิ่งที่น่าแปลกเพราะว่าลิงเป็นสัตว์ที่ไม่ออกหากินตอนกลางคืนลุงสวนบอกว่าให้รีบเก็บของกันเร็วๆจะได้รีบกลับจากนั้นทุกคนก็ลงจากเขาไปเข้าหมู่บ้านกันและก่อนที่คุณสนและเพื่อนๆจะเข้าบ้าน ลุงสวนตะโกนมาว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าบ้านไปวัดก่อนเลยคุณสวนก็งงว่าไปทําไมที่วัดจึงพากันไปที่วัดไปยืนอยู่หน้ากุฏิลุงสวนก็เรียกหลวงพ่อที่อยู่ในกุฏิพอ่อหลวงพ่อเดินออกมาเห็นท่านก็ทักขึ้นมาทันทีว่าโอ้โหโยมมากันเต็มลานเลยนะคุณสวนก็งงว่าคืออะไรลุงสวนก็เลยเข้าไปคุยกับหลวงพ่อและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังหลวงพ่อท่านบอกว่างั้นรอสักครู่นะแล้วท่านก็เดินไปเอากะป๋องมาให้สีใบแจกให้คนละใบ ข้างในกระป๋องจะมีน้ำมนต์แล้วท่านก็จุดเทียนไขแล้วหยอดลงไปในกระป๋องทีละใบและให้เอาไปอาบตัวจากนั้นท่านก็บอกให้กลับบ้านกันได้แล้วส่วนสิ่งที่ตามมาเดี๋ยวหลวงพ่อจะหาที่อยู่ให้พวกเขาเองคุณสนก็งงว่าหาที่อยู่ให้ใครเพราะมองไปไม่เห็นอะไรพอเดินพ้นออกมาจากวัดคุณสนเลยถามลุงสวนว่าตอนแรกลุงสวนคุยอะไรกับหลวงพ่อลุงสวนก็ตอบกลับมาว่าเองรู้ไหม เมื่อคืนที่เรายิงกันน่ะทั้งหมดตอนนี้พวกมันตามมาหมดทุกตัวเลยคุณสนขนลุกขึ้นมาทันทีแล้วถามว่าอะไรตามมาลุงสวนตอบว่าวิญญาณลิงเป็นวิญญาณสัมภเวษีที่สิงสู่อยู่ตามป่าเขาลุงสวนก็เลยยังไม่ให้เข้าบ้านเพราะกลัวว่ามันจะเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยก็เลยต้องพาไปรดน้ำมนต์ก่อนแล้วค่อยๆเอาบ้านและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดจากประสบการณ์ของคุณสน